เรื่องพระเอกุธานเถระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระเอกุธานเถระขี่นาศพได้ยินว่าพระเถระอยู่ราไรายแห่งหนึ่งแต่องค์เดียวท่านอุทานอย่างนี้เสมอว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตตั้งมั่นมั่นคงไม่ประมาท เป็นผู้คงที่ระ ง, งับแล้วมีสติทุกเมื่อทุกวันอุโบสถท่านอุานทานคาถานี้เสียงเทวดาสาธุการดุดแผ่นดินจะถลม่มวันอุโบสถวันหนึ่งภิกษุผู้ทรงพระไต่พิดกสองรูปมีบริวารรูปละห้าร้อยได้ไปสู่ที่อยู่แห่งท่านท่านเห็นก็ชื่นใจยินดีและกล่าวว่าท่านทั้งหลายมาก็ดีแล้ว กระผมจะขอฟังธรรมจากท่านทั้งหลายพระภิกษุถามว่าก็คนฟังธรรมมีอยู่หรือตอบว่ามีอยู่ขอรับในราวใครนี่มีเทวดาสาธุการบรรลือลั่นในวันฟังธรรมภิกษุทั้งสององค์หนึ่งสวดธรรมองค์หนึ่งกล่าวธรรมเทวดาแม้สักองค์หนึ่งมิได้สาธุการจึงพากันแปลกใจ จึงขอร้องให้พระเอกุทานกล่าวธรรมะดูบ้างท่านจับพัดนั่งบทอาสนะกล่าวคาถาเช่นเคยกล่าวนั่นแหลเทวดาทั้งหลายสาธุการด้วยเสียงอันดังภิกษุที่เป็นบริวารทั้งหลายกล่าวติเตียนเทวดาว่าให้สาธุการเพราะเห็นแก่น้ากันกลับไปแล้วกราบทูลพระศัสดาพระศัสดาตรัสว่าพิษุทั้งหลาย เราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือพูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้เรียนคถาบทเดียวแล้วแทงตลอดสัจจะทั้งหลายผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้แล้วจึงตรัสพระกาถาว่าบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุพูดมากส่วนบุคคลใดฟังแม้นิดหน่อยย่อมเห็นธรรมด้วยนามากาย บุคคลใดไม่ประมาทธรรมบุคคลนั้นแลเป็นผู้ทรงธรรมในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหลพระสัทธรรมมีสามได้แก่พระปริยติสัทธรรมพระปฏิปติสัทธรรม และพระปฏิเวทสัตธรรมพระปฏิเวทสัตธรรมได้แก่มักผลนิพพานจะอันตรธานก่อนด้วยไม่มีปฏิบัติสัตธรรมและพระปริยัตสัตธรรมคือคําสอนพระไตรปิฎกพระพุทธวจนะจะอันตรธานต่อมาและลิงคะอันตรธานไม่มีนักบวชภิกษุสงฆ์ และธาตุอันตรธานสุดท้ายด้วยการหาผู้กราบไหว้บูชาพระธาตุพระพุทธเจ้าไม่ได้จะเสด็จไปรวมเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตายตนพระศรีมหาโพแสดงธรรมอยู่เจ็ดวันมีแต่เทวดาเท่านั้นที่ได้ฟังแล้วเตโชธาตุก็จะลุกไม้พระธาตุอันตรธานไปในที่สุดเมื่อถึงคราสิ้นศาสนาในพุทธันนี้ หมายเหตุผู้อ่านมีการถกเถียงกันมากเรื่องศาสนาจะอยู่ได้เพียง 5,000 ปีนะครับก็ขอฝากให้คิดไว้ในแง่ของการใช้ภาษาโบราณนะครับจำนวน500ไม่ได้แปลว่ามี500้แต่แปลว่ามีมากอาจจะมีคนเดียวที่เรียกว่าโจนห้0ร้อยจอนคนเดียวที่ชั่วช้ามากแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นจํานวนวันจํานวนปีในพระไตรปิฎก บางครั้งก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นสำนวนที่แปลว่ามากโดยประมาณอาจไม่ได้หมายถึงระบุวันเวลาแน่ชัดนะครับซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดยังมีคนประพฤติปฏิบัติยังมีการเจริญสติตราบนั้นพระอรหันต์ก็จะไม่หมดไปจากโลกการสิ้นยุค ข, ของพระพุทธศาสนาควรจะนับเป็นหนึ่งพุทธันดรตามความเป็นจริงแล้วน่าจะวัดกันที่โลกและจักรวาลนี้แตกสลายนะครับ ความจริงแล้วเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเพราะไม่ได้ช่วยให้ใครดีขึ้นหรือเลวลงนะครับแต่พูดไว้ในฐานะที่มีคนอ้างกันเยอะมากว่าศาสนาจะอยู่ได้แค่ 5,000 ปีเท่านั้นก็ขนาดยังไม่ถึง 5,000 ันปีนะครับยังมีคนอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษออกมาตรัสรู้กันมากมายขนาดนี้ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ฟังก็เป็นคนที่ไม่ได้ศึกษามาเลยหรือบางครั้งอ่านพระไตรปิฎก ก็เข้าใจตามตัวอักษรแต่ไม่เข้าใจในยาแฝงซึ่งเป็นความหมายอันแท้จริงหรือเข้าใจผิดจากสำนวนที่แปลามาจากภาษามาโคตโบราณ น, นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้สนใจศึกษาใครครวนพิจารณาให้ดีก่อนเชื่อด้วยนะครับ